อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์กลางเดือนสิงหาคมนะคะเสาร์ที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2555ัค่ะวันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนเก้าแล้วนะคะ ก็หมดเดือน8ไปเมื่อวานนี้เองคือวันที่17สิงหาคมนะคะค่ะก็อยากจะขอเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าสําหรับรายการของเราซึ่งเปิดทุกเช้านั้นท่านที่เป็นแฟนประจํารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทราบดีค่ะว่าเราเปิดรายการของสถานีเราเพื่อเป็นมิ่งมงคลกับทางทางสถานีเองแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยด้วยรายการธรรมรับอรุณนะคะซึ่งพอเราพบกันบันเช้าเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ย ก็จะเป็นที่รู้กันในหมู่พวกเรานะคะว่าจะเป็นเรื่องของการสนทนาธรรมะหรือสนทนาซักถามต่างๆหรือที่เราเรียกกันว่าสาจฉาระหว่างพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโ น, โนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้นตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ถึงที่ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็มีพระเดชพระคูห ล, ลงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครู สิทธิประาพากกร น, นั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะขับพบกันในกลางเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเดือนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเดือนเขาเรียกว่าเป็นเดือนอแม่แห่งชาติกันอยู่นะคะเราก็กําลังเฉลิมฉลองในอโอกาสมหามงคลยิ่งเลยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏของเรานั้นเนี่ยทรงมีพระชนะพรรษาครบ80พรรษาในปีนี้ซึ่งก็ เฉลิมฉลองผ่านกันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมที่ผ่านมาแต่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งราชการแล้วก็พระเอกชนต่างๆนั้นเนี่ยก็จะเฉลิมฉลองกันไปทั้งปีเลยนะคะดังนั้นพบกันในเช้าวันนี้ดิฉันขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะมากราบนมัสการทางพระอาจารย์ไพบุตรพิพุโณพระอาจารย์ของเราแล้วก็สนทนาให้รับทราบถึง เรื่องของบุญคุณของคุณแม่และกันนะคะเราทราบดีค่ะว่าท่านเนี่ยมีบุญคุณมากมายเหลือเกินแต่อยากจะนำท่านผู้ฟังนั้นมารับฟังว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเนี่ยท่านได้ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทดแทนบุญคุณสิ่งที่ลูกจะต้องทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าพ่อแมอ่มีหน้าที่อย่างไรต่อลูกในเรื่องของทิศทั้ง6นะคะซึ่งก็ขอนามารับฟังจากพระอาจารย์เริบญอภิบุโกเลยนะคะ กราบน้ำสักการเจ้าค่าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานสาธุเจ้าค่ะวันนี้อย่างที่ยมเกลิ่นนะเจ้าค่ะคงจะต้องกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุตรพี่ปุโนเจ้าค่ะได้พูดถึงเรื่องของทิศทั้ง6เนี่ยเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทิศที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็คือทิศที่อยู่เบื้องหน้าถูกไหมเจ้าคะเออทิศเบื้องหน้าถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะสาธุโยมยังจําได้นะเจ้าค่ะก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะเออก็ได้ท้าความถึงเมื่อในช่วงนี้เป็นเดือนของวันแม่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันอาทิตย์เราก็ได้พูดถึงเรื่องบุญคุณของแม่เนี่ยนะเอ้ต้องย้ํากันต้องต้องย้ํากันตลอดเลยล่ะจะมาว่านั้นว่าแม่มารดาบิดาเนี่ยมีบุญคุณมากจริงๆคือไม่ใช่เฉพาะมารดาอย่างเดียวบิดาก็ด้วยอนะทีนี้ในโอกาสบันแม่องท่านเราก็พูดถึงเรื่องมารดาก็ก็มีบุญคุณมากจริงๆอไม่ว่าอะไรที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะเป็นของท่านหมดนะถ้าไม่มีท่านเราไม่มีวันนี้นะแล้วก็เป็นบุคคลที่ ควรจะต้องกราบไหว้บูชาให้ทานให้ทานด้วยนะ เ, เมื่อสัดาทิรัตเรายังพูดถึงกราบไหว้บูชานะคุณ เ, เห็นในหลวงลคุณอยู่ตอนหน้าพระพักของพระปัจฉบริพรเจ้าอยู่หัวเนี่ยคุณทําความเคารพไหมถ้าคุณทําความเคารพคุณต้องทํำยังไงกับพ่อคุณทํายังไงกับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคุณควรจะทำอย่างนั้นกับมารดาบิดาด้วยซ้ํานืเพราะพระพูทธเจ้าเคยเปรียบเทียบ ว, ว่าถ้าเรายกมารดาบิดาให้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณ แต่ที่เราอยู่กับบ้านเนี่ยเราควรจะต้องทําความกรบท่านอย่างน้อยกลับมาได้พูดคุยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยนยุกมือไหว้หกราบท่านนี้เป็นการดีมาก <Okay. S 1> ทีนี้นี่คือที่เราได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเราก็บุญคุณที่บรรดาบิด า, ามีให้นี่มันมันมากล้นเหลือเราได้พูดถึงการตอบแทนชนิดที่เรียกว่าพ่อจะเสมอกันได้ที่บุตรเจ้าได้ เคยตรัสเอาไว้ก็พูดถึงว่าเให้มีถ้าท่านไม่มีศรัทธานะให้ท่านมีศรัทธาถ้าท่านไม่มีศีลให้ท่านมีศีลให้ท่านมีศีลนี่หมายความว่าด้วยกลยุทธ์วิธีการใดก็แล้วแต่เนี่นะเพื่อที่จะสอนให้ท่านเป็นคนมีศีลโดยกลยุทธ์วิธีการใดก็แล้วแต่ถ้าท่านไม่เป็นคนไม่มีจาคะนี่เป็นคนตรณีเราสอนให้ท่านมีจาคะรู้จักการให้ถ้าท่านเป็นคนไม่มีปัญญาไม่เคยเห็นตามที่เป็นจริงอะไรต่างเหล่านี้ปล่อยวางยังไม่ได้ด้วยวิธีทุกวิธีทาเราต้องสอนให้ท่าน หรือว่าด้วยกระบวนการใดก็แล้วแต่เนี่ยที่ทําให้ท่านเป็นคนที่มีปัญญาให้ได้คือบางทีเนี่ยเราไปสอนเนี่ยก็ก็คงจะทําไม่ได้ในบางอย่างเพราะว่าวันทีพ่อแม่ไม่ยอมรับก็จะต้องมีกุศโลบายกลวิธีกลลเม็ดอะไรต่างๆเพื่อที่จะทํายังไงก็ได้เนี่ยทุกวิธีทางไม่เอาด้วยอย่างนี้ก็ต้องเอาด้วยอย่างนั้น <Okay. S 1> ด้ทุกวิธีทางไม่มีข้อยกเว้นเลยสําหรับมารดายพิดา ก็คือพยายามที่จะชักจูงท่านให้เข้ามาอยู่ในทางที่จะสามารถเจ้าค่ะทางธรรมนะเจ้าคะคือคือว่าคนที่อายุมากแล้วเนี่ยเป็นเดินใจผู้สูงอายุก็แล้วแต่หรือว่าใครเนี่ยไอ้ความสุขต่างๆอะไรในโลกเนี่ยนะอาตมาว่าก็ผ่านมาพอสมควรแล้วนะคือจะเรียกว่าเห็นมันก็เห็นมาหมดเอาวางงั้นเถอะเนาะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเจ้าค่ะเป็นผู้ที่อาบน้ําร้อนมาก่อนภาษาจีนเนี่ยขาจะมี แต่มาเนคนจีนนะภาษาจีนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรไวยากรณ์เอ้ยเขาเรียกคําสุภาษิตแต<จ>่<จ>ที่บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยนะหรือคนที่มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยภาษาไทยจะตรงกับคําว่าอาบน้าร้อนมาก่อนถ้าภาษาจีนก็คือว่ากินเกลือมามากกว่าเธอกินข้าวอืเจ้าคือประมาณเกลือที่ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุกินมาแล้วเนี่ยยังมากกว่าปริมาณข้าวที่เรากินมาทั้งหมดคือหมายถึงว่าท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าภาษาจีนก็จะมีสุภาษิตอย่างนี้ เพราะฉะนั้นอ ะ, อะไรอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็เจอมาหมดแล้วนะจะซื้อของอะไรอร่อยๆมาให้เนี่ยเฮยอย่าพูดเลยท่านก็เคยกินมาหมดแล้วหลังนะหรือว่าจะหาซื้อผ้าสวยๆอะไรมาดีๆมาให้ก็อย่าพูดเลยท่านก็ได้มีมีมาบ้างแล้วนะอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ตามแต่ฐานนะแตนี้นั่นคือของที่เป็นอามิตรที่เราจะพยายามหามาให้นะทีนี้เรากําลังพูดถึงสิ่งที่เหนือยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือรถแห่งพระธรรมนะรถแห่งพระธรรม ซึ่งถ้าเราไม่เคยถ้าด้านยังไม่เคยได้เนี่ยโอ้ยต้องต้องรีบเลยเพราะว่ามันบั้นปลายชีวิตแล้วนะีต้องด้วยทุกวิธีทางทีงนี้ทำให้บางคนเขาใจแบบว่างั้นฉันต้องด่าต้องว่าต้องพูดแรงๆคือบางทีบางคนพ่อแม่บางคนไม่มีศีลเนะีเป็นคนที่มีทิฐิมากลูกจะพูดอะไรพ่อแม่ไม่เชื่อเนะี่ยพ่อแม่ก็เออเป็นคนแบบว่าอาจจะผิดศีลบ้างอย่างเงี้ยทำให้เราไม่สบายใจไม่ดีใจ นะเราเจอหน้าก็ด่ากันว่ากันอันนี้คุณไม่มีทางชักชวนท่านไปได้เลยอืมเนะจ้า ค, คือคุณจะชักชวนคนไปหาธรรมะเนี่ยแล้วคุณเป็นคนไม่มีธรรมะเนี่ยมันไม่มีทางคุณคุณเตืใจเนี่อกรือยปล่างสมสมมติมว่าพระพุทธเจ้ายังประกาศป่าๆอยู่ว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าฆ่าสัตว์นะแล้วถ้าสมมาสมุทธเจ้าของเรายังตบยุงอยู่เนะียังไปหาอะไรมาที่เป็นอที่ฆ่าสัตวนะ์เนีคค่ะท่านพระองค์จะทําไม่ได้เลยหรือถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอ้าวงั้นให้อยู่ซันโดแต่ตัวพระองค์นี่โห มีประสาทราชวังหรูดาอะไรที่เป็นของตัวเองสรรหายธรรมในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่สันโดษเนี่ยก็ไม่มีทางประกาศธรรมได้เลยนะเพราะว่าทําอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรทําอย่างนั้นพระชจ้าตรัสอย่งนี้เจ้าค่ะเพราะนั้นสอนอย่างที่ทําทําอย่างที่สอนพูดอย่างที่ทําทําอย่างที่พูดเราทําอย่างนั้นไหมคุณบอกว่าไปฟังทำสิแต่ยังด่าว่ากันอยู่ดังนั้นคุณไม่มีทางเชิญชวนชักชวนบรรดาบิดาให้ไปหาสิ่งที่เป็นธรรมะได้เจ้าค่ะเพราะนั้นตัวเราต้องมีธรรมะก่อนนะ เราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะเจ้าค่ะให้ท่านได้เห็นตัวตัวลูกกับตัวดีเลยที่บ่นๆพราะพ่อแม่พูดยากบอกยากเนี่ยเธอทําตัวดีไหมนะเธอมีศีไหมเธอเป็นคนบอกง่ายสอนง่ายไหมเธอเป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในสกุลไหมนะเธอเป็นคนที่มีศีหรือยังนะถ้าเราเป็นแล้วมีแล้วเราพอจะชักชวนผู้อื่นให้มีให้เป็นได้อืมเจ้าค่ะอันนี้เราพูดเพราะว่าคราวที่แล้วเวลามันน้อยเราเลยพูดถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่สําคัญที่สุดเลย และคือการที่ชักชวนให้ดันไปเป็นคนมีศีลมีสันทามีจาระมีปัญญานะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําทีนี้ในเรื่องของชีวิตประจําวันทั่วๆไปนะชีวิตประจำวนันทั่วไปเนี่ยเรามีทิศ ท, ที่เราจะต้องคอยรักษาอยู่นะคือในเรื่องนี้มีเคราบดีคนหนึ่งนะเขาไปถามปรึกาบอกว่าเอ๊ะเราจะดูแลรักษาทิศอย่างไรนะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาบินมีลทัทธิที่บูชาทิศ เดตื่นชามากลับทิศเหนือเดี๋ยวตอไปตงวันกลับทิศตะวันออกเดี๋ยวตอนเย็นกลับทิศตะวันตกอย่างเงี้ยกราบทิศนะซึ่งพระเจ้าก็เลยบัญญัติทับลงไปว่าเอ้ยจริงจริงการบูชาทิตศในอริยวินัยนี้มีอยู่นะแต่ทิศนี้ก็คือพูดถึงทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาเราจะพูดถึงทิศนี้ก่อนเท่านั้นเองนะในในคราวนี้จบค่ะคือหน้าที่ของของมารดาบิดาก่อนที่มีต่อลูกเนี่ยนะหน้าที่ของมารดาบิดาที่มีต่อลูกเนี่ยก็คือว่าห้ามเสียจากบาให้ตั้งอยยู่ในนนคววาามมดดีีั้้จะก นั่นคือต้องห้ามลูกไม่ให้ทําความชั่วแล้วก็ให้ลูกทําความดีนะเช่นห้ามจากยาเสพติดนะให้ลูกอา่าพยายามเรียนหนังสืออันนี้เป็นการพูดลักษณะเหมือนกับมีทั้งไม้อ่อนและไม้แข็ง <Okay. S 1> นะไม้แข็งก็คือว่าห้ามเสียจากไอ้ความไม่ดีนะความไม่ดีหยุดนะบางทีต้องมีกุศโลบายในการลงโทษบ้าง <Okay. S 1> ลงโทษนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องตีนะแต่ต้องมีอุบายในการลงโทษเด็กพ่อแม่สมยัมยใหม่เนี่ยบางคนไม่ตีลูกใช่ไหม <Okay. S 1> นี่ถามว่าคุณจะสอน ล, ลูกยังไง นะที่ว่าให้รู้ว่าอะไรมันไม่ถูกอะไรมันไม่ดีนะบางทีก็ต้องมีกุศลบายในการลงโทษอย่างอื่นเดี๋ยวนี้เขาอะไรนะคุณเตือนใจเขาให้ไปยืนยิงเข้ามุมใช่ไหมยืนหันหน้าเข้ามุมปเป็นการลงโ <ไป S 1> ทษ<ด>สงบสติอาอรมณ์ตัวเองนะคะ <laughs> <laughs> เป็นการลงโทษของพ่อแม่สมัยใหม่นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีอะไรดีๆนะเป็นสิ่งดีเพื่อนดีเราหามาใหนะ้ก็ตูนดูมากไปแล้วเราห้ามนะเดินเกมมากไปแล้วเราห้าม นะให้ตั้งอยู่ในความดีเอาอ่านหนังสือดีหนะังสือที่มันดีดกันดีนะ <Okay. S 1> ฟังธรรมะดีเอาให้ฟังให้ทำนะชวนไปวัดดีเอาไปนะให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้2 อ, อย่างที่มาด้วยกันหน้าที่ของมาดาบิดาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ศึกษาศิลปะวิทยานะให้เรียนหนังสือว่างกันเถอะศิลปะวิทยาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเรียนตามระบบโรงเรียนอย่างเดียวนะยังหมายถึงความรู้วิชาชีพประเดต่างๆที่ ที่มีการเรียนการสอนกันอาจจะสอนวิธีทําขนมใหนะ้เพื่อที่จะใช้เลี้ยงชีวิตต่อไปก็ได้นะแล้วก็มอบมารดกให้ตามที่เวลานี้ข้อที่4มอบบรดกให้ตามที่เวลาบรดกตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงสิ่งของอย่างเดียวนำะบารดกในที่นี้เนี่ยพระเจ้าเคยพูดถึงว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มอบบราดกให้ด้วยนำะบารดกของพระองค์เนี่ย ค, คืออริยมรรคมีองนะค์แปดในภพก่อนชาติก่อนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่พระเจ้าก็เคยมอบมารดก นะที่เรียกว่ากเรียนวัดนะําไปถึงของการที่พอแก่แล้วก็ออกบวชนะแก่แล้วก็ไม่ทํางานแล้วออกบวชนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นมรดกที่มอบให้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยลูกเนี่ยนะไม่รู้ว่าพ่อแม่เนี่ยมอบมรดกอะไรให้แล้วนะยังม อ, มอบที่ให้นะมีส่วนหนที่ดินมอบให้ลูกเนี่ยไปขายกินหมดอย่างเงี้ยมีป่าไม้มอบให้เอาตัดทิ้งาขายไม้กินหมดอย่างเงี้ยโดยไม่รู้ว่าโอ้ยไอ้ที่ที่ดินตรงเนี้ย ใช้ความอดทนความพยายามขนาดไหนหามาได้นะคุณไม่ได้รับมรดกความอดทนความพยายามของมารดาบิดาเลยอนะืหรือบางคนเขาทํานามาที่เนี่ยทํานามาชั่วหลายสิบชั่วอายุคนแล้วนะทำนาให้เลี้ยงเรามาไม่เคยอดเคยอยากแต่ดัวเงเอาไปขายกินหมดเเียอืจไม่ได้รับมรดกความอดทนความพยายามความขยันหมั่นเพียรของมาดาบิดาตรงนี้ชื่อว่าคุณมองไม่เห็นน ะ, ค, ะคือมารดาบิดามอบมรดกให้แล้ว แต่มรดกเบื้องหลังเนี่ยบางคนมองไม่เห็นอืเจ้าค่ะบางคนาไม่เห็นทำใช่ไหมบางคนเนี่ยรถเก่าๆเนี่ ย, ยก็ไปหาว่าพ่อแม่เก็บทำไมรถเก่าๆคันนี้ใช้อยู่ได้ ม, มันก็ปูโร่ท่งแล้วจ้าค่ะแต่ไม่รู้เลยว่าไอ้รถเก่าตรงเนี้ยพ่อแม่เนี่ยฝาฟันยังไงมานะเคยใช้รถคันนี้ไปแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ทําให้มีอก็เรียกว่าความผูกพันกับรถคันนี้ ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่เป็นผู้รับมรดกที่ดีอนะ <จ uk S 1> พ่อแม่พยายามที่จะมอบมรดกนี้ให้แต่ตัวเองไม่เห็นเป็นต้นจ้าค่ะไม่เห็นคุณค่านะใช่ใชของเก่า <จ uk S 1> ๆที่แบบพ่อแม่เก็บเอาไว้อย่างเงี้ยคุณเห็นเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นหรือไม่เจ้าค่ะอาตมามีกล่องไม้ใบหนึ่งที่เคยเล่าให้คุณตนใจฟังจ้าค่ะที่ว่าตั้งแต่สมัยอาม่าอาม่าของอาตมาเนี่ยคือแม่ของพ่อมาจากเมืองจีนใหม่ๆอ่ะ แล้วก็มาตั้งรกราก อ, อยู่แถวตลาดน้อยในกรุงเทพอะ่ะขายอะไรขายของเนี่ยขายได้เก็บเงินเอาไว้แล้วก็เออสร้างบ้านสร้างบ้านไม้หลังหนึ่งสร้างบ้านไม้ก็เอาช่างชาวโยวนเนี่ยมาทำํำ ช, ช, ชาวยยนนี่มีฝีมือในเรื่องของการทําไม้มากนะ<ช>อเ<ช>ขาทํ า, าทไม้เสร็จปุ๊บก็เลยให้ทํากล่องใบหนึ่งเป็นกล่องไม้ใบนี้นสร้างมาตั้งแต่ปีสอ0พันห้าร้อองสก้าห้กล่องไม้ใบนี้นะ2495ทํามาแล้วก็อาม่าของอาตมาเนี่ยคือคุณย่าเนี่ย เอากล่องไม้ไปนี่เก็บหนังสือสวดมนต์เอาไว้<ม>เก็บหนังสือสวดมนต์เอามาสวดมนต์อะไรต่างๆเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอายุ7จว่า8ดขวบตอนนั้นอาม่ายังไม่ยังไม่เสียยังอยู่อยู่ จ, จนกระทั่งเราอายุ10กว่าอาม่าก็คุณคุณย่าก็เสียไปแล้ว เ, เห็นกล่องไม้นั้นใบนั้นมาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่รู้เคยรู้เรื่องราวไม่เคยสนใจเก็บไม่ดีรักษาไม่ถูกต้องนะมีน้ําหยดใส่มันก็บุ๋ดก็เบี้ยว จนกระทั่งเรามาศึกษาคําสอนพระาว่าเอ๊ะเราเป็นผู้รักษามรดกไหมทําให้เราไปนึกถึงกล่องไม้ใบนี้เราก็ไปเอาม า, า, าใช่เอามาพบว่าโอ้โหตายแล้วกล่องไม้ใบนี้เราดูแลไม่ดีอ่ะต่อไปนี้เราจะดูแลมันดีๆก็เลยเอาไปามาเก็บจดหมายที่ท่านผู้ฟังเนี่ยมาส่งให้เก็บไว้ในกล่องไม้ใบนี้เป็นกล่องไม้ที่ทำจากไม้สักอย่างดีอนะอมันมีขนาดพอเหมาะพอประมาณก็เลยพยายามที่จะมารับมรดก ความเรื่องราวที่อยู่ในความอดทนของปู่ย่าตายายเราที่มาจากเมืองจีนมาตั้งรกรากในเมืองไทยพึ่งอยู่ในพระบรมโคดมที่สมภารเป็นคนมีศีลเป็นคนมีความขยันเราก็รับมรดกตรงนี้มาโดยผ่านทางกล่องม้าอย่างเงี้ยเป็นตน้นเจค่ะเจ้าค่ะเพนะราะนั้นถามว่าลูกหน้าที่ของลูกอันหนึ่งเนี่ยนะคื อ, อคือรับปฏิบัติตนเป็นทายาทคุณเป็นทายาทของมรดกที่ท่านให้มาไหมนี่คือหน้านที่ของลูก นะคือเพราะนั้นเราจะตอบแทนมานดาบิดาได้เนี่ยนอกจากให้ท่านตั้งอยู่ในศีลมีจารคามีศรธรรมมีปัญญาแล้วนี่คือคุณธรรมของท่านนะที่ท่านต้องต้องทําเราต้องมีกุศลบายทุกอย่างที่ทําให้ท่านมีตรงนั้นนั่นคือของท่านนะนั่นคือของท่านทีนี้ตัวคุณนะ่ะคุณเป็นลูกใช่ไหยคุณเป็นลูกเนี่ยคุณทําหน้าที่หอย่างนี้หรือไม่ขอไปห้าอย่างนี้หรือไมอนะ่อย่างแรกที่พูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือปฏิบัติตนเป็นทายาทปฏิบัติตนเป็นทายาท ทายาทอะไรที่เมรดกอะไรที่มารดาปิดามอบให้คุณรู้เปล่าคุณรู้หรือเปล่าแต่ <Okay. S 1> ว่าไอ้เรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งของเป็นของมีามราค่ามีราคาอะไรเลยเนี่ยแต่มันมีเรื่องราวที่มีมูลค่ามากจนกระทั่งประเมินไม่ได้เรารู้หรือเปล่า <Okay. S 1> คือบางคนไม่รู้นะจนกระทั่งอายุหกสิบเราก็ยังไม่รู้ว่าเออแม่มอบมรดกให้อะไรเราหรอแม่อายุเก้าสิแล้วอย่างเงี้ย นะจนป่านนั้นก็ยังไม่รู้ทําให้แม่เนี่ยก็ยังเห็นว่าตัวลูกเนี่ยเป็นลูกอยู่ก็รจะมาคือยังยังเด็กอยู่จะเหมือในสายตาพ่อแม่นะเจ้าค่ะชเพราะว่าไม่รู้จักรับมอบบาราดกไม่รู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาทอืมเจ้าค่ะเนาะคือคนอายุเก้าสิบเนี่ยยังแม่อายุเก้าสิบอย่างเงี้ยนะอ่าคือตัวเองเป็นย่าเป็นยายแล้วเนี่ยตัวลูกก็มีลูกของตัวเองแล้วมีหลานแล้วเนี่ยนะ แม่มาดาบิดาเนี่ยต้องมอบบรรดกความเป็นพ่อแม่ให้ลูกไปละเราไม่ได้มายึดถือครองความเป็นพ่อแม่ไว้ที่ตัวเราอีกใช่ไหมเพราะนั้นเขาต้องเป็นผู้ใหญ่ในการที่จะดูแลตัวเองได้แล้วะเพราะฉะนั้นถ้าอายุเก้าสิบแล้วยังไปว่าลูกอายุหกสิบอยู่เนี่ยมันคงจะไม่ใช่แล้วแสดงว่าลูกอาจจะทําอะไรไม่ดีสักอย่างหนึ่งหรือว่าพ่อแม่ไม่รู้จักมอบบรรดกให้คือถึงเวลาแล้วต้องมอบให้เขาแล้วเนี่ยไม่ได้มาคอยตามจี้ตามชัยเขาแล้วอะนะอืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ นี้หน้าที่ที่สองสำหรับลูกที่นอกจากจะต้องปฏิบัติตนเป็นทายาทแล้วเนี่ยก็คือรู้จักดํารงวงศสกุลดํารงวงศสกุลเนี่ยก็คือว่า้ตัวเองเราต้องดูแลครอบครัวตัวเราเองนะดำรงวงศกุลของเรา <Okay. S 1> นะหรือว่าในอีกนัยยะหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงความเป็นอริยะวงวงสกุลจะหมายถึง อ, อริยวงศคือปฏิบัติตนอย่างด้วยความเป็นอริยะเช่นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาด้วยนะ <Okay. S 1> ถ้าคุณมีคุณธรรมตรงนี้เนี่ยเราตอบแทนทันแล้วนะ เราสร้างความมั่นใจให้ท่านเห็นว่าเฮ้ยคุณาสามารถที่จะดูแลครอบครัวตัวเราเองได้ปกครองตัวเราเองได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเาจะทําให้พ่อแม่เบาใจนะใยความที่คุณอายุ 60- 50แล้วมีครอบครัวของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มาต้อ ง, องคอยนั่งจำชี้จําใจให้เจ้าค่ะก็เรียกว่าสามารถที่จะทํางานทําการครองชีวิตที่จะสืบวงสกุลต่อไปได้ดีนะจ๊ะเจ้าค่ะอันนี้คือมาด้วยกันนะรู้จักดารงวงสกุลกับปฏิบัติตนเป็นถายาต อ, อันที่สามนะก็คือว่าท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่านตอบนะท่านเลี้ยงเราแล้ว<ม>เราจะเลี้ยงท่านตอบนั้นเงินเดือนเดือนแรกที่คุณได้มาเอาให้พ่อแม่หมดเลยในความมี็นนจะมานะพนะเพื่อเป็นเป็นเาเรียกว่ า, เ, าเป็นการตอบแทนบุญคุณนะ่แม้จะน้อยนิดเดียวนะแต่ก็าทา คุณพ่อคุณแม่ก็จะชื่นใจด้วยนะเจ้าคะใช่เราก็คงไม่เอาไปใช้จะเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะยงคิดว่าเจ้าคะทีนี้ว่าพอเราเลี้ยงท่านนะในที่นี้เนี่ยทั้งที่อยู่อาศัยยารักษาโรคคือมากน้อยก็ตามแต่ที่จะทําได้แต่ให้มีทุกๆเดือนให้มีทุกๆสัปดาห์ให้ทําอย่างเงี้ยซื้อข้าวซื้อของอะไรเล็กๆน้อยๆมาให้นะท่านจะกินไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่เราก็คอยดูแลประเดิบัติท่านจ้าด่าว่าบ้างเราก็อดทนเอาเป็นหน้าที่ที่เราควรทํา แล้วก็ข้อที่4่นันก็คือรู้จักทำกิจการงานของท่านนะท่านสัง่งอะไรมาเราก็ทำตามนะท่านอาจจะต้องการสิ่งนี้เราก็ทำให้อย่างเงี้ยเป็นผู้ที่คอยป ร, ริบารต์รับใช้เป็นผู้ที่คอยทำกิจการงานของท่า น, นรู้ว่าสิ่งนี้ควรกับแม่เราก็ซื้อมาให้ทำให้อย่างเงี้ยหรือว่ามีกิจการในบ้านเราก็ช่วยเหลืออะไรไปถูกต้องแล้วข้อสุดท้ายก็คือเมื่อท่านทากาละคือตายล่วงับไปแล้วเนี่ย ก็ <Okay. S 1> ทำกิจการงานทำทักษิณาทานอุที่ให้ก็คือทำบุญอุที่ให้บางเงื่อนเตอรใน <Okay. S 1> กรณีที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะ <Okay. S 1> ราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของลูกที่ทำได้ทุกวันนี้เลยนะ <Okay. S 1> ส่วนนี่คือผลระยะเฉพาะหน้าที่คุณทำได้วันนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้วินาทีนี้คุณทำได้เลย <Okay. S 1> ทีนี้ไอ้เรื่องที่เราพูดถึงว่าเป็นการตอบแทนที่พอจะสมควรกันใช่ไหม คคให้มีสีให้มีศรัทธาจักข้ปัญญาพวกนี้อันนี้เป็นผลระยะยาวเป็นโครงการระยะยาวที่เราจะต้องทํานำะโครงการระยะกลางกับระยะยาวโดวยกุโสโลบายไหนถ้าท่านแบบไม่ค่อยฟังธรรมะไม่ชอบพระสงฆ์อะไรต่างๆเนี่ยนะ ค, คุณกค่ยคอยๆเอาให้บันทึกในการธรรมะราลุนไปเปิดให้ฟังอย่างเงี้ย ค, ค่คอยๆปล่อมๆนะทางมาคคถ้าท่านเป็นคนคคไม่ค่อยมีศีลใช่ไหมหนาบ่าเราอยู่เรื่อยเลย ทำอะไรที่ไม่ถูกยังเล่นการประนานอีกอย่างเงี้ยเราอดทนเราอดทนน ะ, ะเพราะว่าถ้าจิตของเราเนี่ยขัดเคืองแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดึงท่านออกมาจากห่วงที่ไม่ดีได้เลยะนะคือคือจิตของคนที่ยังมีความขัดเคืองอยู่นะคณเดินใจจะไม่สามารถที่จะประสานคนที่แตกกันให้ให้กลับดีกันได้ ค, คือบางคนพ่อแม่เนี่ยนะลูกไม่พูดกับพ่อเป็นปีปีอ่ะก็มีนะเมืองไทยอ่ะ พ่อถ้ า, ม า, าไม่ดีลูกชายก็โอ้ยฟุตฟัดเป็นปีปีไม่คุยกันไม่มองหน้ากันอยู่บ้านเดียวกันด้วยนะเจา้าค่อเป็นอย่างนั้นนะจะแก้ไข ย, ยังไงจริงเจา้าคค่ะราก็ต้องอย่าให้มีความขัดเคืองในสิทของเรานะคือเราเป็นลูกเนี่ยเรายังไงก็ควรจะปฏิบัติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในสกุล น, นะอ่ทําให้มันดีคือแล้วเราก็จะเป็นมงคลนะเพราะว่าการปฏิบัติมารดาบิดาเป็นมงคลอย่างยิ่งนะ เป็นมงคลในชีวิตนะบางทีอาจจะการที่ว่าเราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรบางอย่างเนี่ยก็เพราะว่าติดขัดอยู่ที่สิ่งนี้ก็มีหลายคนที่ชีวิตไปไม่ได้นะก็เพราะว่าทําไม่ดีกับมาดาบิดาเอาไว้เรื่องเล็กเน้อยๆยเนี่ยมันมันติดขัดหมดเพราะว่าคนที่มีบุญคุณกับเรามากเนี่ยแล้วเรายังไปทําไม่ดีนี่นะโหบาปมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเหมือนพระพรหมของเรานะเจ้าคะให้ชีวิตเรามายิ่งเราทําไม่ดีนี่บาปก็จะหนายิ่งขึ้นไปอีกเป็นร้อยเท่าพันทวีนะเจ้าคะแล้วก็อย่างพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเรื่องของอนันตรียกรรมห้าเอาไว้นะคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหันต์สงฆ์แต่กันทัพพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีบุญกุลมากเจเมื่อสัปดาห์ที่เราได้พูดถึงว่ามีคนมาช่วยชีวิตใช่ไหม คนช่วยชีวิตคุณอย่างเงี้ยช่วยชีวิตครั้งหนึ่งโอ้โหชีวิตทั้งที่เหลือของเราชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของเลยเน่เราตกน้ํำเราตกน้ําจะตายอยู่แล้วมีคนกระโดดตู้มาช่วยเราให้พ้นจากน้ําเพือกสุดท้ายเราทันทวดีเนี่ยน ะ, ะ, ะโโหชีวิตนี้ที่เหลือเนี่ยคุณเป็นของเขาเลยแต่เพราะฉะนั้นอย่างมันดาบิดาเนี่ยช่วยเรามาตลอดตั้งแต่ตอ น, น, นเรา ย, ยัางเป็นเด็กนี่คือมันดาบิดานะทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าอันนี้แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะมันดาบิดานะ นี่ถ้าชาติต่อไปนชาติต่อไปมีคนช่วยชีวิตคุณได้อีกชาติต่อไปมีคนช่วยชีวิตคุณอีกชาติต่อไปต่อไปต่อไปเนี่ยมีคนช่วยชีวิตช่วยชีวิตช่วยชีวิตคุณอีกเนี่ยเป็นอเนกชาติเนี่ยหูบุญคุณตรงนี้ยทดแทนมากไม่ได้เลยนะนี่คือพูดถึงสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความรู้าทําให้เราไม่ต้องไปเกิดเป็นอเนกชาติก็จะหมายถึงสมมติคุณเป็นสซนบานเนี่ยคุณจะเกิดมากอย่างแค่เจชาตินะชาติที่แตจนถึงชาติที่อนันต์นะไม่ต้องมีเพราะฉะนั้นบุญคุณจั้งแต่ การช่วยชีวิตเราตั้งแต่ชาติที่แปดจนถึงชาติที่อ น, นันต์ที่เราไม่ต้องมาตายอีกเนี่ยนะนี่เป็นของพ ร, ระพ<ะ>ุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่มีบุญคุณมากจริงๆนะแค่ทําให้ข้อเลื่อนนี้ก็เป็นบาปมากอืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะวันนเราอย่ย้อนกลับมาตรงที่ว่า อ, อข่าพาระอรหันต์แล้วก็มีโทษมากพอๆกับข่ามารดาบิดานี่ตรงเนี้ยเพราะนั้นคือไม่ใช่ว่ามารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของลูกนะคือความวัดความเป็นพระอรหันต์หรือไม่อรหันต์เนี่ยมันวัดกันที่กิเลส ว่ากิเลสหมดหรือไม่หมดนะมันดาบิดาบางคนอาจจะยังมีกิเลสมากอยู่ด้วยนะแต่ด้วยความที่มีบุญคุณมากกับกับลูกนะคือลูกคนนั้นเท่านั้นนะนะเพราะฉะนั้นก็จึงว่าเป็ น, เ ป, นเป็นบาปมากต่อลูกคนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอะไรไม่ดีกับมารดาบิดาเนี่ยอันมาขอร้องเลยขอร้องจริงๆเลยนะผ่านทางรายการธรรมระเบบรุลเนี่ยผ่าผนกุฏิใจเนี่ยว่าขอให้ทําเถอะขอให้แก้ไขนะชีวิตเราเกิดมาแป๊บเดียวเองนะมานดาบิดาท่านท่านเลี้ยงดูเรามา ขอให้แก้ไขซะอย่าให้มีทิฐิเราทำให้ถูกแล้วชีวิตเราจะไปได้จะเป็นมงคลกับชีวิตของเราเองอะไรที่มันติดขัดไม่ดีในชีวิตมันก็จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบาไปได้อะน ะ, อะขอให้ทำขอให้แก้ไขเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ต้องฝากไว้กับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านซึ่งอาจจะมีปัญหาตรงนี้นะเจ้าค่ะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวกับคุณพ่อคุณแม่ อะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโแล้วก็นําเป็นข้อคิดนะเจ้าคะว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องพยายามด้วยกว็อ่อนเข้าหาคุณพ่อคุณแม่แหละ<ช>ไม่อย่างนั้นชีวิตเราก็คงจะไม่เจริญก้าวหน้านะเจ้าคะใช่ตรงนี้อาตมาเลยอยากจะสรุปตรงนี้ว่าโดยเรื่องเล่าของคนที่มาเล่าให้ฟังคนหนึ่งมีมีลูกศิษย์นี่แหล ะ, ะเขาบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยเล่นการบันทัน <Okay. S 2> แล้วก็โกหกด้วยนะโกหกว่าไปกู้ยืมเงินมาแล้วก็มาขอเงินลูกเป็นหลายๆแสนหล mm, <นะ S 1> หลายๆแสนลูกก็มีความกุ้มใจมากปวดหัวไม่ยอมกลับบ้านเป็นไมเกรนอยู่ตั้งหานะลูกก็ได้มีอายุมากแล้วนะสี่สิบห้าสิบแล้วแม่ก็จะเจ็ดส <true S 2> ิบแลหลักแล้วทำไมแม่เราอายุมากขนาดนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่นแะต่มาก็ได้แนะนําให้เขาเป็นอย่างนี้คือเขาก็โกรธแม่ดา่าแม่ว่าแม่นะเราก็ <true S 1> <true S 2> ต้องแนะนําว่าให้เขาเนี่ยพยายามจะหากุศลบายทุกอย่าง นะด้วยการที่ไม่ด่าไม่ว่ากันนะให้แม่เนี่ยทำให้อยู่ในศีให้ได้นะัคือคไม่ได้บังคับ ข, ขู่เค้นตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลานะพาท่านไปเที่ยวบ้างพาท่านไปเปลี่ยนอย่าไปอยู่ใกล้เพื่อนชั่วเดี๋ยวบา ง, งทีมันมีเพื่อนชั่วมาชักนําไปนะเ ร, รเราก็ค่อยๆทําค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ไขเดี๋ยวบางทีปัญหานี่มันผูกมาเป็นเงื่อนงํามาหลายปีแล้วเนี่ยจะมาตัดโชคให้มันขาดเลยแก้เลยเนี่ยมันมันคงไม่ได้นะก็ค่อยๆแก้เป็นปมอดทนไปก็ยับแก้ไป นะเราก็ทําใจให้สบายมันะมาดาบิดาเราต้องเลี้ยงดูเราต้องทําตามหน้าทีนะ่เราต้องพูดดีๆกับท่านเราต้องเป็นคนอ่อนน้อมต่มตนในสกุลนะมันผูกเงื่อนมาแล้วเราก็ค่อยๆแก้ไปนะเราทําไปอย่างนี้ยทำไปอย่างนี้เนี่ยเราจ ะ, ะชีวิตเราจะดีได้นะท่านก็จะโน้มน้อมไปทางคนดีได้นะเราก็ะจะทําให้ชีวิตต่างๆของเราดีขึ้นได้อย่างนี้นะจ้าค่ะจ้าค่ะ ก็เรียกว่าต้องอพยายามที่จะโน้มน้าวท่านนะเจ้าคะที่จะให้มาคือมีความอดทนว่าอย่างนั้นเถ อ, อะอยม<ำ>คิดว่าอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะว่าถ้าเผื่อลูกคนไหนเนี่ยมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าท่านไม่ค่อยจะดีอย่างที่พระอาจารย์ไพบุญได้ยกตัวอย่างมานะเจ้าคะเพียงแต่เราตั้งจิตว่าเราอยากจะทําให้ดีกับท่านต่อไปนี้ไม่เอาละไม่ด่าว่าแม่อะไรทั้งสิน้นแต่ตั้งจิตเท่านั้นนะ่ะแล้วพยายามทำ นี้เราก็ได้บุญแล้วนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าโอกาสมาถึงแล้วที่เราจะตอบแทนบุญคุณของท่านอย่างสมเหตุสมผลเลยสมคุณกันเลยเพระเาะว่าโอกาสเนี้ยถ้าท่านไม่มีศีลนะเป็นโอกาสดีเลยที่เราจะได้ตอบแทนบุญคุณของท่านอย่างมากเหลือล้นที่สุดเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เวลาในรายการเหลืออยู่ประมาณสักนาที ก, กว่าๆสนาทีนะเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไิบุตรอภิปุโนะได้เมตตาสรุปในวันนี้เจ้าค่ะที่เราคุยกัน แล้วที่จะเพิ่มเติมจะคุยกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้ดีไหมเจ้าคะได้ก็พูดถึงเรื่องทิศอีกครั้งหนึ่งนะเราต้องห น, น้าที่ของโลกนะเราต้องเลี้ยงท่านนะท่านเลี้ยงเราแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบเร า, าต้องทํากิจของท่านต้องรู้จักการดารงวงศูลทําหน้าที่ของตัวเองนะทายาทเป็นทายาทมรดกอะไรที่ท่านมอบให้เราดูให้ดีนะมองให้ลึกนะเมื่อท่านทํากาละลวงรับไปแล้วถ้าบรรดาบิดาของเราไม่อยู่แล้วเราก็ทํำทาน นันวายทานอุทิศบุญส่วนกุศลแด่ท่านได้การทำอย่างนี้เราจะเจริญได้เจ้ค่ะก็จะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตก็คงจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าความดีของเราอันนี้นะเจ้ค่ ะ, คะที่เราได้ทำหน้าที่ของลูกของเราอย่างเต็มที่ตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งชี้แนะแนวทางไว้ สําหรับในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะโยมคิดว่าก็คงจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านในกราบน้ำมการลาแล้วก็กราบน้ำมการขอบพระคุณพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่ได้เมตตามสาสักษาหรือสนทนาธรรม ะ, ะข้อในเรื่องที่เกี่ยวกับพระคุณของอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หน้าที่ของลูกของเราที่เราที่เป็นลูกทั้งหลายนั้นจะต้อง พึงปฏิบัติอย่างไราตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แนะไว้นะเจ้าคะ่ะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างดีทีเดียวเหมาะสมกับเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนของอแม่แห่งชาตินะคะก็ลากันเลยเพียงแค่นี้แล้วเพิ่ม เ, เช้ากลับมาพบ ก, กันใหม่นะคะตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งเหมือนเดิมคะ่ะกราบขอพระคุณและกราบน้มบัสการอย่างสูงเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเจริญ บ, บานสาธุเจ้าคะ่ะ